เอาน่าย่าซีเรียกเรื่องลงโทษคนโก้ค้าชาวอินเดียคนหนึ่ง ทำกระเป๋าซึ่งมีเงินอยู่ในนั้นร้อยเหรียญหายไปเขาจึงประกาศว่าหากใครเอากระเป๋ามาคืนได้เขาจะให้รางวันเป็นเงินสิบเหรียญต่อมามีคนจรคนหนึ่งเก็บกระเป๋าใบนั้นได้จึงเอามาให้พ่อค้าเพื่อรับรางวันพ่อค้าเป็นคนตระหนี่เสียดายที่จะต้องควักเงินรางวันสิบเหรียญ เขาจึงเสแสร้งระกรกตกใจโดยกล่าวว่าแหวนเพชรวงหนึ่งในกระเป๋าได้หายไปสุดท้ายทั้งสองได้ไปหาผู้พิพากษาที่ศาลผู้พิพากษาถามพ่อค้าว่าท่านแน่ใจหรือว่าในกระเป๋านอกจากเงินเหรียญแล้วยังมีแหวนเพชรอีกวงหนึ่งแน่ใจทีเดียว พ่อค้าตอบอย่างมั่นใจดีมากผู้พิพากษากล่าวต่อในกระเป๋าใบนี้มีเพียงร้อยเหรียญเท่านั้นไม่มีแหวนเพชรอะไรเลยแสดงให้เห็นว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่กระเป๋าใบที่ท่านทำหายเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้ค่าต้องเก็บรักษาไว้ก่อน เคือคอยเจ้าของที่ทําหายไปมารับไปท่านควรไปหากระเป๋าใบาที่มีแหวนเพชรของท่านเถอะเรื่องนี้สอนว่าอินนี้ไม่น่าเลยนั่นนายจ๊ะแทนที่จะเสียแค่ซิบกลับต้องเสียทั้งร้อย